Oh. หลายคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการปฏิบัติบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกง่วงง่วงมากมากเลยแต่บางคนตรงข้ามนะคือฟุ้งนะแล้วก็ฟุ้งมากมากด้วยบางทีก็จิตก็ขึ้นลงกวาดแกว่งไปมาจนกระทั่งเกิดความสงสัยว่า ตอนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่มันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยทำไมพอปฏิบัติแล้วเนี่ยมันฟุ้งกว่าเดิมนะบางคนสงสัยเราปฏิบัติถูกหรือเปล่าแล้วทำไมมันยังฟุ้งแล้วก็ฟุ้งมากเนะตอนอยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานยังไม่เห็นฟุ้งขนาดนี้เลยอันนี้ธรรมดานะอย่าไปรู้สึกว่าเราผิดปกติ อย่าไปคิดว่าเนี่ยเราหมดหวังแล้วพาเราการปฏิบัติที่เราฟุ้งนะมากมากเนี่ยกว่าช่วงที่อยู่บ้านหรือที่ทํางานเนี่ยมันก็เพราะว่าตอนอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานเนี่ยมันมีอะไรให้ทํามันมีอะไรให้จิตได้เกาะได้เกี่ยวหรือตัดจ่อบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ น่าเพลิดเพลินยินดีนนเช่นข้อความในโทรศัพท์มือถือหรือว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยนะมันพร้อมจะเข้าไปเกาะแล้วก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาเพราะมันเพลินนะยิ่งจะเป็นเพลงเป็นหนังเป็นวิดีโอเกมเนี่ยโอ้ มันไม่ฟุ้งเลยนะเพราะถ้ามันมีสมาธิอยู่กับรูปหรือว่าเสียงนะที่รับรู้หรือไม่เนี่ยก็จิตมันก็ไปตดจออยู่กับงานที่ทำโดยเพราะเป็นงานที่ชอบหรือเป็นงานทีนะ่กำลังคุ้นคิดอยู่กับมัน พอจิตเนี่ยมันไปปักลงนะอยู่กับงานไม่ว่างานที่ใช้มือใช้ไม้เช่นรดน้ำต้นไม้ทาสวนหรือว่าใช้ความคิดพอจิตเนี่ยมันมีอะไรให้ทำแล้วก็โดยเพราะยิ่งมีอะไรให้เสพที่น่าเพลิดเพลินยินดีเนี่ยมันก็ไม่วุ่นวายอะไรมาก เมื่อก็เด็กนะถ้ามีของเล่นเนี่ยเด็กเขาก็อยู่นิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีของเล่นมาหลายนี่เอาเนี่ยตอนนี้เริ่มพลาดแล้วนะจิตเราก็เหมือนกันนะพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีอะไรให้ทําไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นไม่มีเพลงให้ฟังดูหรือหนังให้ดูรวมทั้งไม่มีการพูดคุยกันใหมาอยู่กับกาย มารับรูก้กายแค่นั้นเองใหม่ๆเนี่ยเออมันก็สนใจนะเพราะเป็นของใหม่นะให้มาเดินจงกรมให้มาสร้างจังหวะมันก็ต้องมานั่งจำว่าเออจะยกมือสิบสี่จังหวะนี่จะให้มีลำดับอย่างไรแต่พอมันทำได้คล่องนะสักพักมันก็รู้สึกว่าเบื่อแล้วนะมันก็มีแค่เนียงเหรอ พอมันเบื่อแล้วเป็นไงมันก็หาเรื่องอะไรใหม่ๆไปขุดคุ้ยเรื่องต่างๆความทรงจำในอดีตทั้งที่หน้าเพลินแล้วก็ไม่หน้าเพเพินทั้งที่หน้ายินดีแล้วก็หน้ายินร้ายมันไม่มีอะไรทําก็หาเรื่องคิดหาเรื่องปรุง ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องความทรงใจำในอดีตก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตเพื่อให้มันเพลินเพนะเพื่อให้มันเพลินเพราะว่ามันเป็นวิสัยของจิตที่ต้องเสพเสพอารมณ์ถ้ามีมีอารมณ์ทางที่เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาให้มันเสพ มันก็เอาความคิดนั่นแหละขุดคุ้ยความคิดขึ้นมาหรือความทรงจำเนี่ยมาเสพไอความคิดและอารมณ์ความทรงจำต่างต่างอนี้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าธรรมารมนะธรรมารมพวกเราไม่รู้หรอกนะว่าจิตของเราเนี่ยมันเสพติดเรียกว่าผัสสะเสพติดการรับรู้ทาง ตาหูจมูกลิ้นกายเสพติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโ ด, ดยเพราะชีวิตในเมืองหรือชีวิตคนสมัยใหม่เนี่ยมันถูกรุมเร้ากระหน่ำด้วยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถึงแม้ว่าบางคนเยะอะเส่มันเยอะมากเกินไปไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันฟุ้งไปหมด จิตมันกระจายรู้สึกว่าชีวิตในเมืองมันเต็มไปด้วยแสงสีผัสสะที่ทำให้จิตเหนื่อยล้ามาอยู่วัดเข้าป่าดีกว่าแต่พอมาอยู่จริงๆนะมันก็จะโหยหานะโหยหาลูปลดกลิ่นเสียงสัมผัส หรื อ, รอว่าโหยหาผัสสะถึงตอนนี้เราถึงจะรู้ว่าเราเนี่ยเสดติดผัสสะถ้ามันเงียบบางมานี่างทีก็นอนไม่หลับนะหรือถ้าไม่มีอะไรให้เสดไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์มมมมมมให้เสดไม่มีผัสสะมากระทบเนี่ยมันก็จะหาเรื่องคิดนะหรือไม่ก็ไปขุดคุ้ยเอาเรื่องต่างๆในดีน้นมา เพื่อเป็นอาหารให้กับจิตได้เสร็ั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเสรติดอารมณ์เสรติดผัสสะเนี่ยพอมาอยู่ที่มันที่ที่มันไม่มีอะไรให้ให้ดูไม่มีอะไรให้อา่านไม่มีคนจะพูดคุยมันจะรู้สึกหิวมันจะรู้สึกเหงาจิตนะมันก็เลยนะพยายามที่จะหาอะไร มาคิดมันก็เลยเกิดจากการฟุ้งขึ้นมานะคิดโน่นคิดนี่สารพัดเลยซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวทีไรมันฟุ้งทุกทนะีการอยู่คนเดียวเลยกลายเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางผู้คนแต่พอไม่มี โทรศัพท์ให้เล่นไม่มีคนให้พูดคุยเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการอยู่คนเดียวมาอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวมันก็น่าเบื่อก็เลยเอาความนึกคิดนี่แหละนะมาช่วยให้จิตมันคลายเบื่อเพราะนั้นเนี่ยการฟุ้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟุ้งขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรอารมณ์เสพนะมันก็ จ, จะเกิดอาการอย่างนะคือง่วงอาการง่วงคือเกิดจากการที่มันไม่มีอะไรเสพไม่มีสิ่งกระตุ้นเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานมันมีรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสมาเป็นตัวกระตุ้นให้จิตมันตื่นแล้วบางทีมันตื่นจกกนกระทั่งมันไม่รู้จักหลับจากนอนไม่รู้จักพักผ่อนเพราะกลางค่ากลางคืนก็ถูกกระตุ้นเราพอไม่มีอะไรกระตุ้นนะ พราามาอยู่วัดไงแล้วก็ไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ได้ดูโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ให้เล่นมันก็เลยง่วงนี่มันก็เป็นอาการเนี่ยที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติที่มาใหม่ๆแต่มันก็เป็นธรรมดานะอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปรู้สึกผิดหวังแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็จะ คนไม่ค่อยได้นะมันฟุ้งเยอะเหลือเกินก็เลยพยายามที่จะไปไปบังคับจิตให้หยุดฟุง้งหยุดคิดหรือว่าคอย ไ, ไปตะปบนะความคิดพอความคิดมันโผล่ขึ้นมาก็ตะไปตะปบมันไปกดมันเพราะคิดว่าเนี่ยนะเรามาปฏิบัติเราก็ต้องไม่มีความคิด อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกนะแล้วพอทำอย่างนั้นเข้าเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความเครียดนี่ก็เป็นอารมณ์นะอีกอย่างที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ฟุ้งแล้วง่วงแล้วตอนนี้เครียดนะโดยเพราะคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากจะพยายามไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นเลยนะรู้สึกว่าอ่อ ทำผิดทำพลาดหรือบกพร่องถ้าเกิดมามีความคิดเพราะต้องพยายามที่จะไปห้ามความคิดบังคับจิตไม่ให้คิดแล้วพอมันยังคิดอยู่เนี่ยทำยังไงนะก็เลยใช้วิธีไปเพ่งนะเอาจิตไปเพ่งที่เท้ามันจะได้ไม่ไปถลเเละถลเละไปหาเรื่องคิดเอาจิตไปเพ่งที่มือ โดยความเข้าใจมันจะได้รู้สึกตัวชัดๆอันนั้นไม่ใช่แล้วนะรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือเป็นความรู้สึกรมๆทั้งตัวนะถ้าไปเพ่งเนี่ยนะมันคือรู้สึกเฉพาะจุดนะเฉพาะมือเฉพาะนิ้วเฉพาะเท้าไม่ใช่ทั้งตัวหรือทั่วพร้อมและนั่นก็ยังไม่แยกเท่ากับว่ามันทำให้เครียดนะ เ, เครีมากๆเขาสึกปวดหัวแน่นหน้าเสร็จแล้วเกิดความหงุดหงิด ต, ตามมาเลยเรียกว่าโทสะทั้งหมดเนี่พูดมาเขา เ, เรียกวันนิวร์นะง่วงอธินามิทะฟุ้งซ่านอุทจักกุกจจัความเครียดความหงุดหงิดโทสานี้ก็เรียกว่าปฏิฆะเสร็จแล้วมก็เริ่มที่จะอยากจะแสวงหาอะไรที่จะมา ค, คลายเครียดนะ นึกถึงของอร่อยอร่อยนึกถึงกาแฟสดนึกถึงน้ำอัดลมนึกถึงของหวานเพราะว่าคือมันเป็นสิ่งที่มาใช้คลายความเครียดของคนสมัยนี้อันนี้ก็เรียกว่าเกิดกา ร, รมาฉันท่าขึ้นมาสุดท้ายเกิดความสงสัยนะเฮ้ยนี่เราทาถูกกับเปล่าเนี่ยหรือเกิดความรังเลวะเนี่ยมามาทำไมที่นี่นะ ทำไมต้องมาทุกทรมานอันนี้เรียกว่าเกิดวิจิกิจฉางั้นนิวร์เนี่ยทั้งห้ามันจะตามกันมาเป็นแถวเลยทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยไม่เข้าใจไม่ยอมรับธรรมชาติของจิตว่ามันเป็นเช่นนี้แหละนะไอ้ง่วงกับฟุ้งอะ่ะยอมรับมันแล้วก็อดทน ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยนะมันก็เป็นการบ้านหรือเป็นบทเรียนแรกๆเลยนะของการปฏิบัติคือยอมรับว่าเนี่ยมันคื อ, อความจริงที่หนีไม่พ้นยอมรับว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แล้วไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นให้มันเป็ น, น, ปนไปตามความคาดหวังได้ทีนี้เนี่ยพอเรามาพอเราเริ่มยอมรับมันได้นะเราก็พยายามปฏิบัติให้มันถูกซะตอนที่เราจะมาไปปฏิบัติอุวงพ่อเทียนนะทวัสน้ำไนเนี่ยคำแนะนำแรกๆที่ท่านให้ไว้ก็คือทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะ ดูเหมือนขัดแย้งกันนะแต่จริงๆไม่ได้ขัดแย้งหรอกทาเล่นๆคือว่าทําโดยไม่คาดหวังจะไปหน้าดำคลําเครียดกับมันกับการปฏิบัติเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเล่นๆ น, นะจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะเอาสนุกนะเราเล่นเอาสนุกเนี่ยแพ้ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเอาจริงเอาจังกับมันเนี่แพ้ไม่ได้เนี่ยพอแพ้ก็เครียดขึ้นมาบางทีถึงขั้นชกต่อยกันลองทําเล่นๆดูนะทำโดยไม่คาดหวังมันจะหลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรมันจะเผลอบ้างไม่เป็นไรท่องคาถาไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันนะซึ่งจะช่างมันได้ก็ต่อเมื่ อ, อยอนรับความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละจิตของเรา การทำงานทางจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกับการทำงานอย่างอื่นนะตอเนเรียนหนังสือเนี่ยเราจะหน้าดำข่ำเคร่งกับมันได้แต่ว่าพอมาทำงานทางจิตเนี่ยคือการภาวนาเนี่ยการวางจิตวางใจให้ถูกให้เหมาะสมเนี่ยสำคัญมากไม่คาดหวังนะว่ามันจะต้องไม่ฟุ้ง ไม่ต้องราบรื่นไม่ต้องสงบวางความคาดหวังวางความอยากให้จิตมันสงบซะเพราะถ้าอยากเนี่ยพอจิตไม่สงบเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจแล้วเกิดการพยายามที่จะบังคับจิตให้มันสงบแล้วจิตนี่มันก็ไม่ยอมถูกบังคับด้วยยิ่งบังคับมันมันยิ่งสู้นะ ยิ่งควบคุมมันมันยิ่งพยศต้องรู้จักตะล่อมนะแล้วก็นุ่มนวลทำไปนะแต่ว่าไม่คาดหวังมันจะหลงบ้างมันจะฟุ้งบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ยพยายามไปควบคุมความคิดไม่พยายามที่จะห้ามความคิดหลวงพ่อเทียนเน้นมากนะอย่าไปห้ามคิดนะอยไปห้ามคิด ท่านถึงก็บอกว่ า, วายิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะี่คิดในที่นี้เนี่ยหมายถึงเผลอคิดนะหรือเผลอฟุง้งถ้าเราปฏิบัติแล้วมันยิ่งเผลอเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสให้รู้ทันความคิดได้มากขึ้นถ้ามันไม่คิดเลยเนี่ยแล้วมันจะรู้ทันความคิดได้ยังไงนะถ้าความคิดเป็นศูนย์เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่ สติเนี่ยจะถูกฝึกให้รู้ทันความคิดได้จะรู้ทันความคิดได้มันต้องมีความคิดโผล่ขึ้นมาและใหม่ๆเนี่ยมันก็รู้ทันได้น้อยได้ช้าแต่ต่อแมวก็จะรู้ทันได้ไวขึ้นไวขึ้นจนหนึ่งจนหนึ่งนะพอบางคนทําจนกระทั่งความคิดมันไม่มีนะหรือมันออกมาน้อยเนี่ยท่านถึงกับสอนว่าให้เร่งนะให้เร่งเดินให้เร่งขยับให้ทําเร็วๆเพื่อจะได้กระตุ้นความคิดให้มันออกมามันจะได้มี แบบฝึกหัดให้กับจิตหรือสติงนะั้นอย่าไปรังเกียจนะความคิดเนะี่ยให้มันคิดไปแต่เราอย่าไปคิดกับมันนะอันนี้เป็นกับดักของนักปฏิบัติจํานวนมากคือปฏิบัติด้วยความเข้าใจว่ามันต้องไม่คิดหลวงปู่ดูลย์ตุลอท่านพูดไม่ดีนะบอกว่าเนี่ยความคิดมันก็เหมือนกับลมหายใจแหละห้ามไม่ได้ ถ้าห้ามรวมหายใจก็ตายเท่านั้นแหละท่านบอกเนี่ยอย่าปฏิบัติเพื่อมุ่งดับความคิดเอาแค่ว่าเนี่ยรู้ทันความปรุงแต่งเมื่อจิตมันไปรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์นี่คือรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทรมาณ์เอาแค่รู้ทันการปรุงแต่งเมื่อจิตไปรับรู้อารมณ์ก็พอแล้วนะ ถ้าบอกว่าเนี่ยอย่าอย่าฝันกลางวันนะหรือว่าอย่าหลับเวลาตื่นหมายความว่าอย่าหลงนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวฉะั้นถ้าเราเนี่ยทำเล่นๆ เ, เนี่ยมันก็จะไม่มีความตั้งใจจะไปบังคับจิตไปควบคุมความคิด แล้วก็อนุญาตให้อารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ไม่ว่าบวกหรือลบยอมให้มันเกิดขึ้นหน้าที่ของเราเนี่ยเพียงแค่รู้ทันมันหน้าที่ของจิตก็คือคิดคิดฟุ้งบ้างคิดเป็นเรื่องเป็นราวบ้ า, บางอันนี้เป็นหน้าที่ของมันเป็นนิสัยของมันส่วนหน้าที่ของเราคือรู้ทัน แต่ใหม่นี่ก็อย่าเพิ่งไปคิดรู้ทันความคิดนะอย่าไปตั้งใจรู้ทันความคิดให้มารู้กายก่อนรู้กายคือว่ารู้หรือรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวในการที่มือเคลื่อนไหวไปมาการที่เท้าเดินนะไปมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกทางกายนะซึ่ง มีประโยชน์มากเลยนะเพราะถ้าเราเดินหรือเราปฏิบัติแล้วเรารู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวตัวขยับเท้าขยื่นเนี่ยนั่นแสดงว่าเรารู้สึกตัวหรือว่าใจอยู่กันเนื้อกับตัวถ้าใจอยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยนะใจไม่ไหลลอยไปไหนเนี่ยมันจะรับรู้กายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่แค่มือที่ยกเท้าที่ข ย, ยับ ต่อไปแม้กระทั่งหายใจเข้าหายใจออกเกลือน้ำลายกับพิษตาก็รู้คือกายตรงไหนเคลื่อนไหวมันก็รู้ต่อไปนะแต่ถ้าไปเพ่งเฉพาะจุดเนี่ยมันก็จะรู้เฉพาะจุดมันก็จะไม่รู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนอื่นแต่ถ้าเรารู้ทั้งตัวหรือใจอยู่กันเนื้อกับตัวเนี่ยกายตรงกาย ส่วนในเคลื่อนไหวมันก็รู้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นการเคลื่อนไหวที่มันชัดๆนะเช่นยกมือกระดิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาเขยื่ยนขยับถ้าทําแล้วเนี่ยรู้สึกที่กายเนี่ยอันนี้แสดงว่าหรือบ่งชี้ว่ารู้สึกตัวละหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวซึ่งจะทำเช่นนั้นได้เพราะส ต, ตินี่มันช่วยนะช่วยดึงจิตให้หลุดจากอารมณ์มาอยู่กับเนื้อกับตัว ตัวที่ดึงจิตให้มาอยู่กันเนื้อกับตัวคือสติ ط. พอจิตมาอยู่กันเนื้อกับตัวมันก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมันก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายทีแรกเนี่ยก็รู้สึกตัวกว่อนนะจึงรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายต่อไปเนี่ยนะทำไปทําไปเนี่ยความรู้สึกที่กายนี่แหละมันจะไปสะกิดใจที่เผลอให้กลับมารู้สึกตัว อย่างเ่นเวลาใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะเพลินขณะที่เดินจงกรมขนาดที่เราสร้างจังหวะถึงจุดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามือขยับเท้าขยยื่นไอความรู้สึกตรงนี้แล้วนะที่มันจะไปสกิดใจเนี่ยที่เพลอเนี่ยให้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกับเวลาเราใจลอยนะแล้วมีคนมา แตะไหล่เรามีเพื่อนมาแตะไหล่เรามีเพื่อนมาแตะมือเราเบาๆเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยไอ้ที่ใจลอยฟุ้งใบฟุ้งมานี่มันกลับมาเลยนะกลับอยู่กันกกับตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าการสัมผัสหรือความรู้สึกที่กายเนี่ยมันไปเรียกจิตหรือมปัปไปสกิด จ, จิตให้กลับมาจากที่ฟุ้งลอยให้กลับมาอยู่กันนดกับตัว อันนี้แหละคือประโยชน์หนะ้าของความรู้สึกทางกายเนี่ยในง่ายหนึ่งมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเรารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่าใจเราอยู่กันเดีกับตัวไหมทีแรกมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าใจเราอยู่กันเดีกับตัวไหมถ้าทำแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเลยนะว่ากายเคลื่อนไหวนี่แสดงว่าใจลอยแล้วแล้วก็เป็นบ่อยๆนะเดินก็เดินแบบไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้สึกเลยเมื่อขยี้ขยับก็ไม่รู้สึกเลยนะเพราะใจมันลอย แต่พอใจกำอยู่กับนึกกับตัวเมื่อไหรเนี่ยมันรู้สึกที่กายรู้สึกมือขยับเท้าขยยี้อ้าทีแล้วป็นตัวบ่งชี้นะว่าเนี่ยเรารู้สึกตัวหรือเราใจอยู่กับนึกกับตัวหรือไม่แต่ตอนหลังเนี่ยมันจะทำมากกว่านั้นนะมันจะเป็นตัวสะกิดใจที่เผลอเนี่ยให้กลับมารู้สึกตัวขึ้นมาให้ความรู้สึกที่กายเนี่ยนะเดี๋ยวว่าเราเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆเนี่ยจิตหรือสติเนี่ยมันจะจําอิริยาบถนี้ได้ว่า นี่คืออริเบตที่ทําให้รู้สึกตัวนะจิตมันสติมันจะจําได้เพราะสติมันทําหน้าที่จําระลึกได้อยู่แล้วมันจะระลึกอริเเบตนี้ว่าช่วยให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเฉั้นพอเรารู้สึกพอเราเริ่มรู้สึกว่าเรากําลังเดินเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะตามมาเลยนะและตรงนี้ไอ้ที่ทําให้เราเนี่ยจะวางความคิดได้เร็ว หรือก่อนที่จะวางความคิดมันจะเห็นความคิดก่อนและมันจะวางได้เร็วมันจะรู้ทันความคิดได้เร็วขึ้นเพราะอาศัยความรู้สึกที่กายนะเป็นตัวช่วยและสติเนี่ยมันก็พัฒนาด้วยวิธีนี้แหละนะเริ่มต้นด้วยการ ม, มารู้สึกที่กายก่อนเขาเรียกว่ารู้กายรู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันก็จะเห็นใจคิดนึกนะมันจะ เป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดนะอย่าไปพยายามจ้องความคิดไล่จับความคิดอย่าไปสนใจเดินไปเรื่อยๆให้รู้สึกที่กายก่อนมันจะเผลอก็ไม่เป็นไรพเพราะเผลอถึงจุดหนึ่งนะมันจะเกิดความระลึกหรือรู้สึกตัวขึ้นมาได้ลองสังเกตดูนะเดินไปเดินมาเนี่ยเดินยงกลมเนี่ยสร้างยงังหวาแล้วมันก็คิดไปสรารพัดเลยคิดไปเจ็เรื่องถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันจะระลึกได้ว่ากำลังเดินจงกรมกำลังสร้างจังหวะอยู่แล้วความรู้สึกตัวก็จะกลับมารู้เนือรู้ตัวทำบ่อยๆนะมันจะระลึกได้ไวขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้ต่อไปเนี่ยคิดไปได้5เรื่องมันก็รู้แล้ว ต่อไปคิดไปได้สามสี่เรื่องก็รู้แล้วต่อไปคิดไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็ระลึกได้ขึ้นมาอันนี้เราสติพัฒนาถ้าจะวัดความก้าวหน้านี่วัดตรงนี้นะว่ารู้สึกตัวได้ไวระลึกดูได้เร็วไหมอย่าไปวัดที่ว่ามันมีความคิดฟุ้งมากหรือน้อยถ้าไปวัดตรงนี้เนี่ยผิดทางแล้วนะบางคนไปดูว่าเนี่ยความคิดมันนีน้อยหรือเกินดีนะถ้าความคิดมากนี่ไม่ดีไม่ใช่ มันต้องดูว่ารู้ทันได้ไวไั้ยรู้ทันได้เร็วั้มเพราะเรามาฝึกเพื่อการรู้ทันฝึกสตินะนั้นทํเขาก็จะให้ถูกนะการปฏิบัติของลาก็จะได้ไม่ผิดที่ผิดทางเอาเย็นนี้ผููกับเท่านี้นะเอกากระเป๋